นางดันสบายเดือนนี้เป็นเดือนสำคัญเดือนหนึงแต่ว่าไปเปิดดูไปคนดูแล้วก็กว่าเดือนนี้ไม่พูดถึงวิสาสะเลยวันวันสาธุิสาคนุนวันวันปาทูนาบ้างวันเสรีภาพบง กี่เตคนเป็ น, นวันเกิดคนนั้นคนแต่วันที่เราไม่ควรจะลืมเรากลับลืมเพราะว่าถ้าไม่มีวันนั้นคือเดือน6กเป็นเดือนหกเมื่อสองพันก่าปีมาแล้วเราคงไม่เป็นอย่างนี้เราคือสเปสิตาสัตว์โลก โดยข้อคือประเทศที่นับถือพุทธกอนับถือไปตามไปไปนึงที่เป็นยุทธศาสตร์ศาสบ้านเราคืออยู่ในประเทศที่เหมาะสมที่สุดผมพรมไปมาหลายประเทศทีนี้ก็หลายประเทศจะสมบูรณ์ูลผลอย่างพวกเรานัเ น, นี่ยเดือนที่แล้ว หายไปอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์ถึงเแลประมาณครึ่งเดือนต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนแทบไม่ได้อยู่วันปลายเดือนก็กวัดโสการัมวัดโสกร า, ามเป็นวัดที่ท่านพอลือ ก่อร่างสร้างตัวมาเรียกว่าก่อรากวัดป่าในโซนนั้นแล้วก็ภาคตะ ว, วันออกเกิดขึ้นอย่างเยอะแยะมากมายพอปรากฏวันที่ไปถึงวันเดียวมีการบูตชีพรามเฉพาะวันเดียวห0ร้อยคน พวกเรา100คนเยอะไปไหมแล้วก่อนหนานั้นเนี่ยและหลังจากนั้นเนี่ยเขาบวทุกวันอันนี้ยังไม่รว้ไม่ชี้ไม่ชี้นี่เป็นหมู่บ้านสถานที่เขาก็มาถึงที่ปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ ก, กว้างขวางอะไรมากมายแค่สองเท่าของสาราเราเแต่คนเป็นพันๆ ก็คือลุกไม่ได้ลุกที่นั่งหายก็นั่งฟังนอนฟังนั่งพักกกันนอนฟังพเพื่อสายเวลาสวดอีกก็เขาจัดประจําเพราะนั้นพวกเราก็เตรียกาสประชาสัมพันธ์ในเดือนถึงเปเดือนสําคัญอย่างยิ่ง ก็มีเวลาแค่สามวันคือมาตอนไหนก็ได้หรือไ ม, ม่ได้มาตลอดก็มาฟังก็ได้เราจะได้คติได้ข้อคิดได้อุปมาอุปไมยเปรียบเทือบได้ยินได้ฟังถึงเกี่ยวกับชีวิตเราทั้งนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนอื่นเพื่อมาสอนตัวเอง แม้กระทั่งการสอนรูปแบบทุกวันเราก็ไปเน้นเรื่องสัญญาคือจำมันก็ดีไม่ใช่ไหมที่แต่ความจำของคนของมนุษมันจำมันตั้งแต่เกิดจนณนวันนี้ตามระยะเวลาอายุของตัวเองถามมาจำมากี่เรื่องคงไม่ใค่ตอบได้แตะสิ่งที่จำมันเป็นประโยชน์อะไรต่อตัวเองบ้าง ตัวสัญญาสุดท้ายตัวสัญญาแหละนํามาสู่ความทุกข์ดินไม่ได้แก้ไม่ได้ทำไมถึงทุกข์ก็เพราะว่าความยึดอันนี้คือตัวสัญญาแต่ถ้่เราุ่งนะฮะปวดปัญญาให้เห็นข้อแตกต่างเราบอกสัญญากับปัญญามันต่างกันยังไงไม่งั้นหรืออื่นาจามองไม่เห็น มีไม่กี่หัวข้อในชีวิตเราที่ต้องมาพิพจนารณาในชีวิตประจำวันแต่เพราะเอมันไม่ได้อยู่ในวงจรของคองมคิดของเราเราเอาฝากชีวิตไว้กับอะไรก็ไม่รู้ในแต่ละวันอย่างพู้ชจ้บอกเรื่องกันหานมันก็มีแค่ห้าเรื่องไม่ได้เยอะเลยเรื่องอื่นจำได้หมดเป็นร้อยเป็นพั น, พนแต่ห้าเรื่องไม่จา ไม่จำเคยมนไม่เกิดปัญญามันเช่นตอนนี้ก็เรากำลังถ้าเราจะศึกษาหมายก็ว่าจะพิจารณาให้มันเกิดปัญญาในแต่ละวันในแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงพุทธเจ้าสอนอะไรพุทธเจ้าสอนความจริงและความจริงที่เป็นปัจจุบันเช่นตอนนี้ ข้าปลอาหารมันนีก็นั่งมองก็จะจัดได้เป็นครึ่งชั่วโมงก็จะลงตัวเราก็คิดไม่ได้อันนี้คือเรื่องประจำวันคือไม่มีอะไรไม่มีใครที่ไม่รู้ไม่เห็นหรือไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าเกิดแล้ว มันได้แค่สัญญามันไม่เห็นคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไรเกี่ยวข้องแล้วมันมีผลกระทบต่อตัวเองอย่างไรเมื่อผลกระทบแล้วจะทําให้สิ่งเหล่านั้นเกลียจางลงน้อยลงได้อย่างไรมันไม่มีในรูปของคิด เราก็กลายเป็นว่าเหมือนกับทําอะไรที่มันเป็นประจำถึงเวลาทำมันก็ต้องทำอย่าง ก, การกินเป็นต้นการกินมันเริ่มต้นจากเวทนาจริงๆเริ่มต้นจากรูปรูปที่มันเรียงรายอยู่รูปเขารูปเรากระทือกันอยู่รูปที่เป็นสัพเพสาราสาวัสัต่างหลายกุ้งหอยปูปลาเพราะนั้น กระบวนการความคิดของเราต้องครบที่พระเจ้าสอนเราเรื่องอานิจังทุกขังอนาันตานี่มันกันน่อยเพรเรามองไม่เห็ น, นตนัวไหนมันเป็นอานิจังตงัวไหนเป็นทุกขังตงัวไหนเป็นอานาันตา์ทางท่านที่เป็นเรื่องสําคัญมากทำไมถึงบอกเรื่อสําคัญน้ำมากถ้าไม่สําคัญพระเจ้าไม่สอนหรอกพระเจ้ามาจีบออกมาใช้มาสอนพวกเรา แสดงที่เอามาใช้แต่และเรื่องสรุปแล้วประมวลลงแล้วขมวดแล้วอันนี้มันสำคัญนะอันนี้ยังแล้วกังก า, กาพิจณาถึงเรื่องการเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่ไปอันนี้เราจำนกแก้วนกคุณทองเป็นสัญญาขภาษาสมัยแม่ก็คือว่าต้นน้ำกลา ง, น, างาน้ำปลายน้ำท่านสมัยมากเลยกูเช่าใช้มาเป็นว่าพันปีแล้ว ทำอย่างไรเอาสิ่งเหล่านี้เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันย่จะเป็นสัญญานะเนี่ยแปลหรือว่าแปลงสัญญาตัวนี้ให้เป็นปัญญาให้ได้เช่นวันนี้ยังไม่เหออะไรใครเอาป้อนเขา้าปากกันเข้าปาอาหารแต่นี้เราต้องพิจรารณาว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป ถ้าภาษาเราที่มาที่อยู่แล้วก็ที่ไปของมันถ้าเป็นวันเวลาเขาบอกว่าอดีตปัจจุบันอนาคตแต่พระพุทธเจ้าท่านเรีออยงไว้อย่างนี้ตว่าอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันเรา จ, จะในคำส่วนของเราเร า, เราอาจจะไม่สังเกตอดีตตั้งนั้นว่าทำไมยะอดีตนนะั่งบูดถึงอะไร นับปฏิการแค่อนาคตตังนะถ้าจะเรียงกันเนะีจะถึงเอาถึงปัจจุบนันนะี่นั่นคือลาดับขั้นตอนเพราะนั้นถ้าเราจะเรียงสมมติว่าเอานี่ทำยังไงตัวสัญญาตอนนะความจำได้ไหม เ, นะเราต้องเกิดปัญญาให้นะเอาแค่อาหารบงทนก่อนในการพิจารณาเพราะ น, นั้นการปฏิบัติของพวกเราก็เราจะคุยกันอย่างนี้ เพื่อให้เกิดปัญญาในเรื่อง อ, อย่างอื่นหลัง เ, เจอมาเยอะคุยเพื่อให้เกิดปัญญาว่าอาหารที่เรากินมันมีที่มาอย่างไรก่อนที่เป็นอาหารพวกเราเนี่ยมันมีลมหายใจเหมือนพวกเราไหมมันมีชีวิตเหมือนพวกเราไหมความเมตตามจะได้เกิดอย่างงั้นก็มารู้จักคำว่าเมตตาคืออะไร เราจะไปขอเอาเที่ยวเอาเอาริธานเอาเพื่อให้เกิดเมตตาเพราะเมตตาไม่เกิดกับตัวเองถ้าเราคิดอย่างนี้เออเขาก็มีชีวิตเหมือนพวกเรานาะก่อนจะนอนตอนโดนศัพเป็นที่เราถือเป็นเข้าปลาอาหารขอเราเขามีชีวิตแต่ไปชีวิตของเราไม่เหมือนกันพกควาขเขาไม่เหมือนเราของเรา ก็มาปรุงมาแต่งกุ้งหอยปูปลาหยิบเข้าปากก็อร่อยอย่างเดียวหลังจากอร่อยแล้วเป็นยังไงนะี่วิธีคิดคือก่อนที่มันจะมาเป็นอย่างนี้ในขณะที่ยังเป็นอยู่แล้วหลังจากเป็นแล้วเฮานี้เป็นตัวอย่างแค่เรื่องเดียวแต่ก่อนนั้นเขามีชีวิตเหมือนเรากุ้งหอยปูปลามีชีวิตหลังจากนั้นก็หมดชีวิต แต่ยังเป็นประโยชน์มาต่อชีวิตเราได้ต่อชีวิตกับมเราได้เราคงไม่พูดถึงว่าชีวิตของเราแต่ละคน่ะเราใช้ชีวิตเข้าไปเท่าไหร่กุ้งหอยปูปลาบัวควายหมูไก่เป็ดหมดเป็นฟ า, ามเป็นเล้าแล้วมั้งแต่ละคนว่าเขาเราเคยเล่นพวกนี้ไหมไม่เคยเลิกได้อย่างเดียวคืออร่อย ให้นึกถึงเข้ามากโอ้โหนะ่ะเมตตามันจะเกิดวักันในการะดาษที่กินผู้จ้าบอกให้พี่เจริญ น, นี่คือคําว่ารูปสองคำว่าเวทนาตอนนี้ไม่รู้จักเมื่อความหิ ว, วปรากฏเราก็รู้ว่ามันหิวจริงๆความหิวะท่านเรียกวเวทนาเราทุกเขาาเ้าเวทนาเพราะฉะนั้นที่เรากินเราฉันบริโภคไปเนะี่ ท่านสอนให้เราให้รู้ให้เข้าใจว่าเพื่อบำบัดเวทนาไม่ได้สอนให้เรากินเพื่อความอรรถอร่อยเพื่อบำบัดเวทนาถ้าไม่กินมันอยู่ไม่ได้เวทนามนจะแรงก้าเร่าบรรเทากอกินเข้าไปเสร็จก็เวทนาก็ระงับดับหายไปชั่วคราววันวันหนึ่งป้อนเข้าไปกี่วัน ป้อนเข้าไปกี่ครั้งมีความอรทุดอร่อยอันนี้คือปัจจุบันแล้วอนาคตล้างจากป้อนเข้าไปแล้วอยู่ในท้องอยู่ในกระเพาะเป็นข้าวเป็นน้ําเรือบลอยแล้วหล้างจากนั้น่ะมันเหมือนขั้นตอนที่ ห, น, น, น, หนึ่งไหมขั้นตอนที่สองไหมนี่คือการตอนที่สามจะต้องมีคือที่มายที่อยู่แล้วมันต้องมีที่ไปเข้าแล้วมันต้องออก นี่คือธรรมชาติมันจะออกเร็วออกช้าถ้าไม่ออกเดือดร้อนเราจึงเรียกขั้นตอนสุดท้ายว่าทุกข์ทุกข์หนักทุกข์เบาเห็นไหมเมื่อมีทุกข์มันจะต้องไงต้องเอาออกแม่เ อ, ออกไม่ได้มันเป็นทุกขังทุกข์มันก็จะขังอยู่งั้นแต่เราก็ไม่เห็นวันวันหนึ่งก็มองไม่จริงๆหรอนี้ คำตาเรียนประวฤติเท่าอายุเท่าชีวิตเราเรามองไม่เห็นว่านี่คือพระพุทธเจ้าเดือนนี้เป็นเดือนสำคัญเพราะนั้นในช่วงการอบรมเราก็จะพูดเรื่องนี้เราก็จะย้ำนอกจากนั้นจะให้ความรู้เรื่องปริยัติซึ่งขาดซึ่งอาจจะเป็นเรื่องวิธีกรรมอย่างอย่างว่าวันไหนที่คุณแม่คุณยายไม่มาก็าเดือนรนะ้อนละ เดื น, ดน ถ, ถึงผมถึงมนะผมมาโรน่ะแคผมมาเจริญวิการเดือดร้อนะ่ะอันนี้มีเพราะนะ้นเราจะต้องฝึกของพวกนี้ฝึกตัวเองแต่ตอนนี้พี่วัดเราทำได้แล้วคิดตั้งนานคือวหวพระเอกได้มันก็ต้องขอสินสมาทางเองได้ไมาถ่ายพระขอต้อพระบอกสงสารพระมั่งพระพระให้ศินมาไดร่ พุทธทงางธรรมสังขังเป็นสําคัญหลังจากนั้นก็ปานาติปาตาพระก็พนมมือต้องดูเหมือเผยหนุ้ทั้งหลายแต่ถ้าบอกโอ๋ oh, ถึงพระขอเลยนะปานาติปาตาเราคิดประมาณก็ ah, ไม่ค่อยได้คิดเพราะใช้แค่สรรัญญาณเราไม่ใช่ปัญญาพระบอกปานาติปาตาโอ้อย่าไปฆ่าสัตว์ชีวิตหรือะญาติโยม เวรามณีเว้นเนาะี่ขาพระทางสมาธอย่างนมิขัพติยามิสมาทานเย็นนี่เพื่อเวน้นแต่พระไม่ควรจะประนมมือนะี่พระพระอเสินพระไม่ควรจะประนมะแค่วางมือเฉยก็พอแล้วถึงขั้นพระประนมมือขอร้องนะยันยมอดีนาธานาโอ้ยอย่าไป ร, รักขโมยทุกจิริขราชันกันเลยนะแต่เราไม่ได้ค่อยไปคิด เด็กพระที่คนลงมือเขาเรา น, ะ 70, 80, น่ะเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนะเขาเป็นภาษาเราไงขอเถอขอเถ อ, อ, อแต่ทำไ่เขาไมได้คิดกระเตื้อพะาะเส้นแล้วบางทีไม่รู้ด้วยซ้ำใจไม่ได้คิดด้วยซ้ำอัปปานาอธินากาเมคืออะไรขอรับไปตามเงี้นะแต่สินชาติยางมันถึงไม่เห็นคุณค่ามันถึงไม่เกิดคุณค่า เพราะนั้นถ้า ร, ารับเองก็ตั้งใจแต่ถ้าจะให้ดีก็คือมันควรจะกล่าวเป็นภาษาไทยก่อนจิตใชตระหนึกมันจะได้จาทั่วนั้นเราไม่ค่อยไดต้ต้องการให้จิตใต้ตระหนักมันรับรู้ข้อหนึ่งสองสามสี่คืออะไรเลยเพร า, าคือการสุดท้ายการมวลเสินท้ายสุดท่างบอกชัดเจนเลยว่าท่านจะ เป็นมนุษย์สมบัติโพค ส, ม บ, สมบัตินะิพพานสมบัติน่ะกระเพาะสิ่งเป็นเบื้องตนนะ้นเนาะพระคตูโอ้อยั ง, งไงคนมือแต่เมื่อไรไปจะกู้แต่ทวันตอนนี้วัดเราทําได้คือสามารถขอเองได้ไปพระได้ไหวพระเองไงไหวได้ชิมทําไมขอไม่ได้หลืออย่างเดียวตอนนี้คือขาดการพิจารณ์ที่เป็นคือกระบวนการครําว่ากระบวนการคือหนึ่งสอสามตั้งแต่ต้นจนจบ มันยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มีเพราะฉะนั้นอย่าลืมศาสนาของเราศาสนาเขาต้องมีปัญญาสอนให้เราเกิดปัญญาไม่ได้สอนให้เราเกิดสัญญาเพราะสิ่งเหล่านี้เราจะได้พูดคุยกันเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องบทในธรรมะตลอดก็ได้ช่วที่มีการบรรยายช่วที่มีพูดธรรมะก็มาฟังอย่างมันจะได้คติได้เขาคิดจะได้ปัญญา มันต้องใส่เสื้อผ้าสีขาวามาก็ได้สะดวกยังไงก็มาอย่างนั้นน่าเป็นเชิงสั ญ, ญลักษณ์ที่เกิดเราคนที่บวชก็เป็นสั ญ, ญลักษณ์เพราะนั้นจงยอย่ะเวลาที่เดือนนี้เป็นเดือนสำคัญจะมาดีกว่าที่เราปีหนึ่งครับมาเดินเวียนเทียนรับบวชรับจีรีครั้งหนึ่งแต่ว่ากลับบ้านได้อะไรไหมก็ได้อยู่ แต่ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้คีอทรัพย์ซึ่งก็ต้องเจียรติใจจริงๆมันมีน้อยฉะนั้นก็ฝากพวกเราทุกคนช่วงแก้วเวลาถึงวันสําคัญของโลกไม่ใช่ธรรมดาใสีว่องชื่อประเทือนักถือพุทธทีบ้านเราไม่บ้านเกี่ยวที่จริงจังกับเรื่องวันนี้กฝากพวกเราทุกคนมีโอกาสมีเวลา ปัดอื่นเขาเป็นร้อยเป็นพันนะยรักเราแค่ร้อยคนเนี่ยมาไม่ได้ครับอพ่อไป ว, วันถือว่าไปวันพ่อแล้วนะไปวันแม่เราบางเย็นไปนถึงพ่ออะนึถึงใครทุวันเรานิ่ถึงพ่อแม่แไม่ใช่ทุกวันก็คือทุกทุกวันพ่อแม่ให้กําเนิดเรานิ่ถึงบ้างมั้ย เพราะฉะนั้นก่อนนอนไหว้พระส่วนมนตนก็ให้นึกถึงพรัตนาใจนึกถึงความดีของเราอยู่วันนี้ทําดีทำเนี้ยนึกถึงพ่อแม่นึกถึงผู้นีพวกคุณคือครูบาอาจารย์ครับพวกนีพวกคุณสั้างกันได้ ก, ก็พวกนีพวกคุณนะกู้หอยปลูปลาก็มีคุณต่อเรานะนึกถึงคุณเขาไม่ใช่ตัวเขาเมือเรานึกถึงพระเจ้านึกถึงคุณของพระเจ้า ไม่ใช่คุณของกระชายเศรฐะสมณะโคดมนี่คำว่าคุณวันนี้คุณของพระเจ้าคือพระคุณของท่านพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีท่านไม่มีเรานะท่านจะอยู่หรือไม่อยู่ก็แล้วแต่ทําอย่างนี้คุณความดีที่เราทําอันนี้ยมันจะคุ้มครองดูแลรักษาตัวเราทําให้เป็นนิสัยก็ทําให้จิตใจของเรานะี่ยนึกถึงคนที่มีพวกคุณ ใจิตใจเราจะจําของเรา น, นี้งั้นมันไม่มีอะไรจำไปจําอะไรก็ไม่รู้ในแต่ละวันไม่มีสาระไปจําของที่เป็นเป็นโทษกับตัวเองมันมันนั่เป็นคุณกับตัวเองเลยแต่เราก็ยังเอาส์จําจริงโดยเฉพาะศัตรูคู่าคาดเนี่ยเห็นหน้าเมื่อไหร่จํำได้อันทีมันเลยมาแล้วนผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วสิ้นไปแล้วเห็นหน้าเมื่อไหร่ก็เอามาใช้อยู่ เพราะเราไม่ฝึกไม่ฝึกก็เอามัจบแล้วนะอดีตต่างนานวาทำไมยะมันเป็นอดีตไปแล้วนปฏิออ น, นาคตมันไม่ควรจะเป็นอน า, าคตเป็นอนาคตที่ไม่ดีควรจะไม่เอาเอาปัจจุบันปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เวลานี้วัะ น, นั้นก็เชิญชวนพวกเราทุกคนแค่มาฟังก็ได้มันจะเป็นต้องมีเสียห้าก็ได้อาจารสะดวก เราจะไริประโยชน์ก่อเด็จานเราไปเสดได้ตลอดตลอดไปต่างจังหวัดไปที่ น, นั่นที่นี่ไปพูดๆฟังอย่างเนีน้ไปตังต้งค่าต่างประเทศก็ไปพูดอย่างนี้นขนาดที่เขาไม่มีโอกาสไม่มีเวลายอย่างพวกเราจะมาต้องลางงานต้องวางแผนสามวันต้องบอกต้องหยุดมันไม่เหมือนพวกเราเรามาตอนไหนก็ได้เป็นไหม แตกต่างแต่เราไม่เู้อกนช่วงยะเวลาเป็นวันหยุดด้วยและสื่วพันเป็นวันสำคัญด้วยอย่าไปอ้างเวลายะโอกาสไม่มีอย่าไปอ้างปลูกกายสังขารมันอ้างอะไรทุกคนของคพูดมาให้นึกตัวเองเยอะๆสร้างความดีให้ ก, กับตัวเองเยอะๆคุยเป็นประโยชน์ คือประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายหน้าและประโยชน์อย่า ง, งยิ่งก็คือพันนิพพานประโยที่สองอย่างนี้เขาต้รงมาถามว่าเราทําครบหรือรยังประโยชน์ตัวเองเราได้อะไรจากการเกิดแก่เจ็บตายนี่นคือประโยชน์ประโยชน์ผู้อื่นผู้อื่นได้รับประโยชน์อะไรจากตัวเราเราทําตัวประโยชน์อะไรมากประโยชน์อย่า ง, งยิ่งคือเฉพาะเลยจิตออกจากร่างแล้ว มันไม่มีใครช่วยเราได้ใครก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่มีทรัพย์ไม่มีศิลที่เนอริยะทรัพย์อยู่ข้างในใครก็ช่วยเราไม่ได้ไอ้คนใดมีชีวิตยอยู่มีร้อยพันหมืนแสนล้านช่วยไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดคำหนึ่งขณะช่วงระยะเวลาที่วันสําคัญช่วงสําคัญแต่ช่วงเป็นระยะที่ว่างที่อยู่ นอกนั้นก็ไม่อยู่ครูบาจารย์ก็ต้องบอกว่าจะน้อยลงน้ลงวันนี้ครบรอบปันบมระพาโพลงปู่จริงๆวันที่หกครูปุ ก, กวงวันนี้ตอนเย็นเราไปสวดมนต์วันที่หกก็ไปหาหมอบายมาเข้ากรงเทพไปแล้วกรุงเทพเขไปพูดถึงพูดอย่างนั้นก็คือให้เกิดสติปันอย่าง ก็ยังดีร้อยคนคิดได้สักสิบคนก็ยังดีไม่คิอะไรไมเลมันจะเป็นประโยชน์ต่อเขาในอนาคตวันที่ตลอดตลอดไปก็เพื่อสิ่งนี้นเป็นหน้าที่เหมือนที่ผู้ย่อทำหน้าที่ของพระองค์ตลอดสี่สิบห้าพันางผู้ย่อทำหน 45, า้รรนาที่หนักกว่านี้อีกเชา้าสายบาย่ายค่าตึกหัวรุ่งพระพุทธเจ้า แทบไม่มีเวลาพักเพื่อตัวเองเลยนี่คือพุธจ้านะถามว่าทุกวันนีเป็นยังไงทุสุทุสุนีวสุกวาสิกาเป็นยังไงที่ท่านฝากของนี่เอาไว้ของบอกว่าไม่อยู่แล้วฝากนะรักษาศาสนานี่นะเรารักษาไปถึงไหนแล้ว เฉพาะคือคนที่เป็นหลักๆในกันรักษาคือพิสุกหรือนักบวดรวมนักบวดด้วยแด่นำสิ่งเหล่านี้มาพิณิพิจนาแล้วปฏิบัติตามมากน้อยสท่าตัวหนังสือที่ออกปลายทางลัดรเยะกระเพาะโแนดถ้เป็นแสนๆลูก เสียแค่องเดียวนะครับต้องเรียกไอโลนเลยนะไม่เรียกพระเลยไนะอโลนหนึ่งไอพระตัวเรื่ออีกสองแสนก ร, รุ๊บละมันไม่ใช่ไอโลนหรอเนี่ยเพราะแยกแยะไม่เป็นนะคิดแต่เป็นเรื่องบุคคลมันบวชแล้วมันไม่ได้เป็นพระสมบมติแบบทุกคนถ้าพระก็มาจากชาบ้านหลานชาวเมืองของพวกเราเนี่มันจะเอาพระเหลืองมรหอมจะดีเป็นพระ อ, อะริยะอรหันต มันไม่ใช่อัระนั้นถ้าเราความเข้าใจอย่างนี้เราจะทำใจได้มันเป็เฉพาะความไม่ดีก็ไม่ใช่เรื่องหรอเขาก็รับเข้าไปบ้านเมืองเขาก็มีกฎหมายรองรับกระบวนการยุติธรรมเขาก็มีการตัดสินเราไม่ต้องมาตัดสินเขาหรอกมีกระบวนการตัดสินแทนเราอยู่แล้วนั่นคือกระบวนการยุติธรรมจะให้ความเป็นธรรมของทุกฝ่าย การกาแฟขกงเราอีกครั้งหนึ่งว่ามาอย่างนี้มันจะเป็นมาปฏิบัติตลอดสามวันก็ได้าในช่วาที่มีการบรรยายจะให้ความรู้ที่เป็นวิชาการความรู้ที่เป็นประวัติศาสตร์เกิดศาสนาของเราเจริอรุ่งเรืองมาสองพันกว่าปีมานี้แล้วมันหายอยู่ๆหายไปได้ยังไงหายไปจากตัวออกกล า, างได้ยังไงหายไปจากอินเดียได้ยังไงหายจากศีรษะได้ยังไง นั่นคือประวัติศาสตร์ที่เราควรจต้องศึกษาเรียนรู้พู่จะเได้พวภาคภูมิใจว่าโอ้บ้านเราเมืองเราตั้งแต่สมัยคุศลศีลถึงนับปัจจุบันเราก็ยังราาักษาคณะอาไว้รที่มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างบางที่สาคัญออกมาจะเรียรู้เรื่องอีกครั้งหนึ่งประมาณร้อยกว่าปีมนันี้ต้องจะมาร้อยกว่าปีมันนอกจากพวกเราก็เล็กเแเหมือนกันประเด็นที่เขาคุณนช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมา หรือสองสามรอปีออ่สองสามร้อยปีก็ได้ใเสูดโตก็ได้สไมเราปูนทวดก็ได้ปูนทวดสามรอยกว่าปีปูนท ว, วดเราก็ไม่ได้มลภาพที่บ้านเราปูนทวด ถ, ถุูนโตหเป็นบุคคลต้นแบบปุคตัวอย่างสักสามร้อยปีก็ได้สามร้อยกว่าปีมันแต่ที่นี่นที่เราเป็นหลักเป็นทางก็ คือร้อยกว่าปีครับเป็นฝ่ายป่าเราสมัยทุกงูุมันทำไมเราต้องยุบย่องรับถือสมัยรอยสี่ถึงเ ป, เ, เป็นพระเจชาที่รงทาที่สุดเพราะทานอดีตเป็นพระสือสารพระแล้วก็ร้อ6หกรอห้อยในบทพระทั้งไม่ไม่ได้จำภาษาแต่บทพระพอสมควร น, นี่คือสิ่งที่รเราไม่ค่อยได้รับรู้ พระมหากรสของเราแต่ละพระองค์ทุกพระองค์เป็นพุทธศาสนาชนที่มั่นคงพระกรสของเราทุกพระองค์ที่จะขึ้นของลาต้องปฏิยานตนเราเคยปฏิญันตนไหมอินเดียกาลังเริ่มที่ปฏิยานตนในพุทธมรระแต่ละปีเขาจะเริ่มต้นจะปฏิยานตน แต่รู้ไหมคนที่เริ่มต้นเป็นของคนที่เป็นวั น, นะที่เรียกว่าต่าที่สุดคุยจันทางคนที่เริ่มเพราะเขาอยู่ในสังคมไม่ได้เรียนหนังสือก็เรียนกับเขาไม่ได้เรียะทำงานกับเขาก็ไม่ได้เพราะเป็นจันทาง รู้ไหมคนนั้นคือใครคนนี้คนจันทานเนี่ยแหละที่เขียนรัฐธรรมนูญของอินเดียคนจันทานเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญแต่โชคดีที่มีการศึกษาไปเรียนที่อังกฤษจบจากอังกฤษมาคน ม, มีความรู้ความสามารถนี่เรามองเห็นว่าเออที่เราดองเกียรติเขานักดาวนาว กษัตริย์พาแพทย์ศพแล้วก็จันทานปรากฏว่าวันแรกจันทานเป็นเริ่มต้นอันนี้คือประวัติศาสตร์ที่เราควรสนใจอย่างที่นในบ้านเรานะี่ยมันแตกแต่างกันเลยสุดๆอันนันเราถือว่ามาถึงขนาดนี้แล้วเราต้องไปยอ้อนไปข้างหลังอีกอันนี้คือประวัติศาสตร์แต่เล็กน้อยอย่างน้อยเราก็ได้คติได้ความคิดอืได้ความรู้ เพราะนั้นความเป็นเราถ้าเราไม่ศึกษาหน่อยต่อไปเราก็จะไม่เหลือนะแต่เฉพาะคือราสนาที่ที่หายจากอินเดียก็เพราะอันนี้หายจากตะวันออกกลาง ก, าก็เพราะอันนี้นะแต่จะเพิ่งไปตายใจจะคิดเออใจดีเจ้าบ้านเพรแนวความคิดอันนี้นะอันนี้ก็เกิดขึ้นแ่น้อยฝากผู้เราซึ่งเราจะบางถ้ามีโอกาสมีเวลารายละเอียด จะได้คุยของพนทีเพื่อให้เข้าใจกับความรู้อย่างไรก็ตามเขาเชิญชวนพวกเราอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้เวลาที่วันที่สิบเจ็ดสิบสองซึ่งไม่นานสิบก็พอดูลาครึ่งวันเองช่วงเช้าก็ลงทะเบียนปก็ตบลงเทศคือผู้ได้ฟังกระจบหรือครึ่งวันวันที่สิบสองก็ครึ่งวันก็ปลแล้วจริงๆก็จะประมาณสองวันนี้เองแล้วก็เป็นวันพระวันสําคัญด้วยก็เชิญชวนพวกเราทุกคนถ้าใคร ช่วยอย่างอื่ไม่ได้มีหลายทางที่จะช่วยฟันปรสมเทศจะอ่านพระอาวาจนของเศรษฐสังคธาตท่านพูดได้ดีมากเลยเกี่ยวขอ้องผู้นี้เป็นภาษาเราๆนะั่นแะแต่ฟังแล้วมันมันสะท้อนมันคือความรู้สึกคือไม่จาเป็นแต่มันน้องขาหงขาอะไรที่เราช่วยได้เป็นภาษางา น, นช่วยหรักของคิดก็ได้ช่วยคาพูดก็ได้ ช่วยร่วมกันกระทาก็ช่วยให้การสนับสนุนก็ได้ขอบุณเยอะแยะที่เราทำํำยังามาไม่ได้ช่วยเสิร์ฟน้ำช่ว่เปลีนจ้าภาพนั้นนิดหน่อยก็ยถือว่าช่วยแล้วแต่คิดว่าเราไม่มีเวลามาโบสถ์แล้วมาไม่ได้ไม่ใช่ช่วยได้ทุกอย่างเดี๋ยววันเปิดงานจะอ่านพระโอวาทของสุเด็จสังฆราองค์ปัจจุบันเธอเป็นเรื่องสำคัญ ก, ก็ฟ้าพวกเราทุกคนเนาะถือโอกาสประชาสัมพันธ์ ในงานวันนั้นขอขอนุโมทนาความดีของเราทุกคนช่วยให้พระใหม่มาบวชบวชทุกวันหนึ่งสองสาวบวชทุกวันตอนนีก็ยังมีพระใหม่เราอยู่จะได้ให้ความรู้เพื่อเกิดสติปัญญามีเวลาจํากัดเวลาน้อยอาทิตย์เดียวอาทิตยึงเจ็ดแปดวั น, 7, นได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ก็จะได้เห็นจะได้รู้และคนต่างๆโดยหวังถึงพระผู้เลี้ยง ช่วยกันแนะช่วยกันนำแนะในทางที่ดีนำในทางที่ดียังจะเป็นผู้แนะนำก็ขออนุโมทนาความดีที่พวกเราทุกคนร่วมกันกระทำมันเป็นในวันนี้ในครั้งนี้ขอความดีอันนี้จงถือแก่บรรพบุรุษของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำมันเป็นในครั้งนี้